เดี๋ยวเนี่ยเราจับอยู่รู้ได้มั้ยเราเห็นได้ย่าจับเห็นได้เห็นได้เี๋รู้ได้มั้ยบางครั้งเรารู้อะไจัไม่เห็นนะเป็นโมฆะก็น้องให้เห็นสองนะคือว่ารู้เนี่ยมันเป็นสมถะแตารูียเ็นมอย่างนั้นก็ได้คือรู้สมถ มันจะต่างกันน่ะนะจะเรียกเป็นอะไรลัะทีก็พูดยากอกจะไม่เหมือนกันใหม่รู้พลังภาพน่ะคุณสองบาทแล้วถ้เอาที่คุณสองบาทเนี่ยมันดีกว่าใช่ไหมรู้เห็นด้วยมันแน่มันจะชัดแจ้งมันแจ้งมันชัดมีสติมีสป่าชัดแจ้ ไี S <S blood and blood and Tim, ่ม like like ีแยกเป็นว่ารู้เป็นสติแต่มันจะยเห็นมันรวมกันมันแยกกันไม่ได้แต่นี้พูกกับพวเป็นสองทางมีสติมีสัมผัสชั้นแยมีสติแปลละลึกรู้อยู่รู้สึกรู้ตัวเี่ยมีความรู้ตัวมีความรู้สึกรู้ตัวแต่มันอยู่ในที่เดียวนมี่ียสติสัปผนสชั้นแยกเนี่ยถึงจะเป็นสมาสติ แล้มีปัญญาไปอยู่ันย น, นะาพูดก็ต้องมีปัญญามีสิง้วปกติมีสมาธิด้วยนะสมาธิสิงก็ไปะปกติสอจิตใจ่มีอะไรปเปื้อนะนะบริสุทธิ์นะ<อ>สมาธิเร<อ>าตัง้งอยูอ่จิตของเราความรู้สึกจะตั้งอยูอ่ มีสิติขึ้นมาได้เวลเนี่ยคุณถึงมาอันนี้เราก็มีความอิ่มใจทั้งที่ใหม่ๆหล่ทันทีมันจะเป็นอ่ะแต่ถ้าดูไปยเคยชินมันยังไม่เป็นให้รู้ปิติก็ให้รู้นั่นจะเราก็จะหลงไม่หน่อยนะพอเกิดปิติหมายว่าเราดีใจไม่ใช่ใจดีแล้วมันดีใจมันด้วยเลยสุดโต่งดีแหละเป็นอุปสรรคเหมืนกัน เพื่อภาพอเราก็จะไปเด็ดินตรงนี้อย่างมันมีกิมอกใจนะือ ม, ม, มีพูดดีใจฮะ <Huh? S 2> มันเป ม, มีตัวพูดดีใจดีใจไม่ใช่ใจดีนี่เป็นใบลูใจดีดีใจมันตื่นเต้นใช่ไหมถ้าใจดีมันไม่ตื่นเต้นมันปกติสิอันนี้แปลว่าปกติไม่ใช่สินห้าสินแปดสินสิบอันนั้น ส, น ส, น ส, นสินมีรักนะ <laughs> นันมีสินไปด้ว เรามีความรู้สึกที่ไม่ไม่ฆ่าซักไม่รักสักนะรต่ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าไทยที่จะไปรักของไทยที่จะไปผิดอะไรของไทยนะที่เวลาเราขึ้นมือสิสี่หรือสีบวันนีการหลับตานนการหลับตาต้อการการหลันมือ จะตางกันนะครับจะตางกันด้วยคนอันนี้เราต้องสังเกตเอาเองนะบางครั้งเร า, าจจะหลับมั่งแต่ก็ให้เรารู้ตัวแล้วเราสังเกตในชีวิตข้อสำคัญเนี่ยเราอยให้เข้าขออกับชีวิตประจําวันของเราเนี่ยันต้องควรจะลืมตาควจะสว่างสว่างอย่างนี้ถ้าลักทีเราหลับตานี่บางครั้งมันเป็นแค่ข้าเป็นทำเพื่อจะกล่อมจิต ข, ของตัวเองนะนี่บางทีทําสมาธิาปิดผนไพรอย่างนี้ยมันก็เป็นการกล่อมจิตใ่ไ เห็นะหมก็เพือความจิตก็ดีแต่มันไม่ใช่ดีดีห็นไหมแล้วชีวิตของจริงๆมันต้องเผชิญอยู่กับความจริงนช่ไหมไม่ใช่เรื่องลอยเกาะอยู่เรื่อยๆอั น, นเป็นบางครั้งบางคราวเราอาจจะพักอนจิตบ้างแต่ให้รู้นะรู้เหตุผลของมันก่อนแล้วอย่าทำไปแบบว่าไม่รู้เหตุรู้ผลก็คอทำไปแบบงม ง, งายว่าไงนี่ถามในตรงนี้ เรารู้อะไรเป็นอะไรรู้เหตุถึงผแล้วเราเรียนเราต่องการจะพักแล้วก็หลับตนั่งหลับดูเหตุเราได้พักจริงๆนะแต่เราไม่ใช่เป็นตายเพื่อจะติดยึดอันนั้นต้องเป็นตายเพื่ไม่ติดไม่ยึดคุยกะบพักเอาว่าเอเที่ยวเอาแรงอลไรก็ต้องดูอะเหตุผลของเราอะนะได้แล้วแต่เราจะใช้ใช้ันเป็นนะมันก็ตรงตรงข้อต่ออนะตรงตรงข้อต่อการดึงเราต้องมีความรู้สึกอะไร และเป็นจังหวะจัหที่เเหอย่างีเราพิจารณาพัหอยู่อยู่นะอยู่ตอนที่จะหลังต่อแล้วก็นี่แลงี่ขับเป็นหาทเราต้องมีวมวาใจอ่เออที่อย่างนี้นะเป็นจังหวะจังหวะนะเหมือนอย่างนี้พอเราท่ามอย่างนี้เรารู้สึกอยู่ใช่ไหมเห็นความรู้สึกอยู่นะเห็นความรู้สึกอยู่พอบิ ก็ยังเห็นความรู้สึกอยู่บ้างถึงก็ยังดูจิตของมันจิตยังนใจเห็นใจเราความรู้สึกนะเดี๋ยวนี่ยรู้สึกยังไงที่รู้สึกสบายไม่สบายตรงนั้นหรือเรียกวดูเวทนาก็แหละอันเดียวกันนัหรือจิตอะไรโหทักกู้แต่ก็แปลว่าหน้าเวลานั้นเนี่ยทเราดูดูดอ่ะนั่นออย่านี้ จิตตัวเองเลยนะว่าิตเราสบายน่นแั่นนั่นน่นั่น่ใช่ไหมต้องย้อนลัมาอ่าใช่คือเห็นพร้อมกันน่ะเห็นพ้อมต้องรู้ต้องจำแต่คนที้ได้เห็นพร้อมกันเราก็เป็นการสอบสวนน่ะนหอ๋อเดี๋ยวนี้เห็นตายด้วยเห็นจิตด้วยเฮ้ยเห็นรูปเห็นน้าอ่ะคุณยายเห็นรูปเห็นน้ำเห็นแต่รูปอย่เดียวน้ำไม่เห็นแก้ไขไม่ได้ใช่ไหม ตอนนี้เห็นสองอย่างเนี่ยา้สึกเการเคลื่อนที่คือเหตการณ์เลยถูต้องเลยตอนนี้เราไม่เห็นเมทีแรกเราฝึกยังไม่เห็นใช่ไหมครับฟิกดูสิทีแรกเรายังไม่เห็นเนี่ยเพาเรื่องนี้ธรรมดานี่คนที่ใหม่ๆนี่เวลาเรายังไม่ยังไม่ํานาญเนี่ยะพอจิตเราสงบนี่เวลาเรานั่งเฉยๆนี่สงบพอฟิกมือนี่มันไปรู้สึกตรงนี้แหละลืมจิตล้อ่ามันไม่สงบแล้ว เปล่ยนและ่้นี้เราต้องดูว่ามันอยู่ตัว่อเห็นมันเงียบสงบอยู่นะพอให้เพียงเห็นอยู่จะได้ัมก็เห็นว่าจิตรเนี้ยที่มันรับรู้อยู่วเดิมอยู่นิ่อ่านี้พอผ้ก็มาเรรู้ตรงนี้ใช่หมครับรู้มันเชื่อมโยงกันถ้ามันเชื่อมโยงแล้วเราลูกลูก รู้นอกรู้ในอันนี้ถึงเรื่อมั่นคงแน่นอนใช่ไหมใ่ท่านในงบอกให้รู้ลูกตาท่านในคราวนี้ที่ไปรู้ว่าอันใดนนึงเนี่ยก็ไปเกเป็นเพช่ถูกต้องก็เรียกว่าเพเกิไปไม่ใช่ะมันไม่หมดอะรู้ไม่ชั่วถึงเราจะเห็นหมดไล เห็นอาการก็การเห็นอาการการให้ฟรอปใช่เนี่ยมันมีอาการอยู่แล้วฮะมันไม่ใช่เห็นรูปอย่างนี้เห็นอันนี้มันเคลื่อนไรือย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ตาเห็นอย่างนี้นะเราเห็นอาการนี่มันเคลื่อนนะอ่าเนี่ยหลัตาก็เห็นลืมตาก็เห็น แต่ไม่ได้เห็นรูปเห็นมือเห็นมือเนี่ยเห็นแต่ะเห็นจิตเดียวทีมันต้องพยายามจับจุดดูต้องดูมันใช่ไม่ได้เห็นจิตถูกไครับ่พอเราสังเกตพอเราสังเกตบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ชินยังไม่เคยเคยบางครั้งมันซับซ้อนไงนะมันซบซ้อนน่อย้เราสังเกตตาว่างว่างสงบสงดูสินะอาเห็นมั่งไม่เห็นมั่นดูบ่อยๆกร่าจะเข้าใจ ให้ดูด้ดวยจดูวารมณ์การเคลื่อนไใหญ่เืองอความเคืนไหวของจิตใจด้วยของร่างกายด้วยสลับไปสลับมาเพราะเ้าเรารู้ได้แต่ขั้นละถติกลาวใช่ใช่สลับไปรู้ที่มือใช่ใช่ดูจะมันจะเห็นเหมือนหมืขนาดเดียวกันเลยอเหมือนอย่างเนี้ยเหีนวไม่ก้อดูดูหลวงพเห็นหมทั้งใช้ตัวไหม เอาดูเฉพาะหน้าเห็นที่หน้าก็ได้ใช่ไหมแต่มันก็เห็นตัวด้วยใช่ไหะใช่ไหมเราบอเห็นหน้าอย่างเดียวได้ไหมดูรวมมันมันดูไปเองอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเนี่ยเห็นภามความเป็นจริงเนี่ยครับแรกเราก็จะเห็นมันจิตเล่นมาจิตมันเล่นมาเลนมาที่รูนที่มือใช่ไหมครับพอเสรแล้วจานั้นก็รู้ที่เลื่อน แล้วก็มาดูดูว่าเจดีย์ปิดเราเป็นอย่างไรบคือไม่ต้องให้เลื่อนไปเลืยอนมาให้ตัวที่รู้เองตัวนี้อันนั้นเรายเราย็นใจเราเย็นคายๆอย่าต้องไปดูตรงนู้นมาดูตรงนี้ทีดูตรงนู้นทนะีนี่นอย่าไปนู้นอยังไ่ทำานนะนั่งเฉยๆมือวางหนึงะรู้ได้ให้มือวาองบนหัวน่ะเนี่ยตัวรู้ได้มั น, นมไม่ต้องวิ่งไปวิ่งม า, าแล้วก็ดูกิตนะรู้สึกเรีได้นะ อะกลับมาดูที่มือก็ยเห็นได้นะอะะดูที่จิตก็เห็นได้อยู่ดูทั้งสนะองที่ก็ยเห็นชีแรกเขาอาจจะเห็นได้ทิเพราะเรานี่ไม่เคยฝึกแล้วมันจะเห็นได้พอพอมาดูตรงนี้มันเห็นอยู่นี้เพราะกลับมาตรงนี้มองมาเห็นแหละอ่ะาถ้าทำนานมากๆดูระหว่างเครื่อนดูควารู้สึกตัวเนี่ย ดูเกิดดับไปด้วยได้ไหมครับดูการเกิดดับของการคือนดูความรู้สึกที่มันเกิดดับนี่การเกิดดับในตัวเกิดดับในที่จิไปรุองเห็นที่จที่ใจเราเกอะที่เห็นที่ใจใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เป็นเกิดดับอย่างนี้มันไม่ใช่ไอ้นี่มันเป็นพาเคลื่อนไหวไม่ใช่เป็นพาเกิดดับเกิดดับที่จิตใจบางครั้งเนี่ยมันบางครั้งสบาย เอาพอเาเดี๋ยวไม่สบายนล้วไอ้ฟ้าสบายดับนะไอ้ฟ้าไม่สบายเกิดขึ้นไปนะอ่าเดี๋ยวทุกข์วาสุกเอาพอสุกดับแต่ทุกข์ก็เกิดไอทุกขดับความสุขก็เกิดหรือแม้เอเฉยๆเกิดออายินดีเกิดยินรายเกิดนี่เกิดแบบนี้แหละเทให้ดูอย่างนี้คือมันเกิดแงานที่จิตมันุกขึ้นมาายใช่นี่แหละนี่แหละหรือเห็นอนี้จังทุกขัหายนั้นตาเดียวอ๋อมันไม่เที่ยงอย่างนี้ เราเห็นเขาในใจเขาเขาไม่ยังนี้นะก็ดกูเหมือนเขเห็นเหมือนกันก็รู้จับมันก็หยุดได้คืออาการของจิตที่เราไม่รู้นะไอ้ตัวรู้เนี่ยทำหน้าที่ควบคุมเดี๋ยวมีสติทำไมสติตัวรู้เนี่ยจะควบหรือเป็นผู้จัดการที่ดีที่สุด ผูจัดการหรือผู้บริหารใช่ไหมจัดระบบระเบียบของจิตของกงายของใจให้เป็นระบบเป็นระเบียบแ ล, ล้วพอเราไม่ฝึกไม่จิตใจไม่เป็นระเบียบกายก็ไม่เป็นระเบียบจิตก็ไม่เป็นระเบียบใช่ไพอเรารู้นี่ก็ค่อยจัดไป้ไอละพอทําเป็นนานๆะ้ำนานๆเข้าแล้รู้เข้ารู้เท่ารู้ทานเข้าโมนาศึกษาตัวเราอย่าลืมอันนี้นะ เราอยู่กับการงานนั่นหละาทีเราเคยชินอีกแล้วใช่ไหแต่ก็มีเายรู้ธรรมรู้โลกรู้โลกรู้ธรรมอยู่กับโลกอยู่กับธรรมต้องสื่ทสารธรรมด้วยธรรมท่านี้อะธรําอะไอ้โลกก็มาทุกการงานทุกสิ่งทุกอย่างเเกี่ยวเพราะว่ารู้ที่เกงสิ่งของอะไรอันนางทีเราชำนาอยู่แล้วเรารูเราตาเรารู้ทาได้เชิงชินใช่ไตนี้ทุมาอันนี้เราให้มสมดุลนะใช่ไหมมันเชื่อมโยงกันแม่มันขัดแย้งกัน เื่อการรู้จนเพื่อประโยชน์เพื่ออะไรครับที่วาเรารู้ก็เพื่อจะรู้จักควบคุมงานให้เรารู้จักควบคุมจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของเรานะเดี๋ยวนี่ยอมเลยอย่นรู้ขณะที่รู้สึกมีความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะควบคุมใจได้ใั่ไหมทำใจเฉยๆก็ได้ใช่ไหมดูเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมีวิพากษ์วิจารณ์ได้เนี่ยควบคุมนี้ได้แล้วได้ยินไหม นี่ยอย่างเนี้ยบางีเรามองข้ามไปเยอะบางทีอ่ะบางเราไปติดคําพูดอย่าไปติดคําพูดนะนะแต่เอาของจริงเลยอ่ะเพราะว่าทั้งปกติถ้าเรามองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นที่เป็นประการเมื่อเราเมื่อเป็นสิ่งเป็นประการที่มีตัวตนเราจบรงคับไม่ได้เรบอกว่าร่างกายเราเนี่ยอยากให้แก่อย่างให้ขท่าอย่ากให้เจ็บได้ไหมบรรคับไม่ได้ฉะ น, นั้นสินน่งนึงสิ่ง่ถ้าเรารู้ตัวจะไปควบคุมไม่อจะไปควบคุมสิ่งนี้ ไม่อยากขดเกินอยู่ในแง่ที่ว่ามันเลควบคุมในสิ่งที่ที่เราคุมไม่ได้ที่เไิดราคาอันนี้ใช่ถูกแล้วอันนี้ควบคุมไม่ได้เดแ๋ยวหมายถึงว่าความรู้สึกนึกคิดตัางหาสิ่งที่ปรวงแต่งจิตอันนี้เรียกว่จิตใจสิตอันนี้รู้จักควบคุมจิตรวบคุมสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตอันนี้ไม่ให้ถูกปุงแต่งจริงจริง็ ถ้ามีอบรมที่มีมีนำนำการสืบสิทธิ์อยางนี้เนี่ยไปเพื่อเพื่อนําน้องไปสู่สืบิประธานสี่หล้วครับนี่แหละปฏิประธานสี่หละอันเด็นรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมถามว่ารู้กายเห็นกายสัจธวรมกายไม่ใช่สัตว์บุตคนตัวตเราเขาเห็นกายเห็นเวทนาก็สัจธว่าไม่ใช่บุตคนตัวตเราเขาจะมาเห็นดิบอย่างมาก็บอกไปแล้วชี้แนะาให้ดูไปแล้ว เาดูที่มันก็สักด์จะเป็นพารู้สึกษนาะมันเยตัวตนเนละมันต้องเป็นสักก็์พารู้สึกเป็นธรรมะเท่านั้นะอันนี้ตรงในตำราเลยนักวิทยาดีใ <ru> นนะวัตโมวัยกเมีแล้ว<า>ใช่ไหมนะักสติปัฏฐานสีอ่ะ